เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรม ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพระสภาม พ, พุทธศักราช2550ตรงกับวันอังคารขึ้นส5บห้าค่ำเดือนหกเป็นวันพระวันธรรมบัสวนะ วันฟังธรรมเป็นวันชำระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนำมาซึ่งความร่มเยิงเป็นสุขนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติวันพระ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีภารกิจการงานมากจะได้มีเวลาปล่อยวางกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อมาทำกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อชีวิตจิจตใจของตนเพราะถ้าไม่ได้ส่งกำหนดไว้แล้วก็จะถูกความหลงฉุดลากให้ไปหา ความสุขความเจริญความก้าวหน้าที่ไม่จีรังถาวรที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจเต็มไปด้วยความเสื่อมเสียความหายณนะต่างๆจึงได้ทรงกำหนดวันพระไว้เพื่อจะได้ดึงกายวาจาใจมาสู่ธรรมะ มาหาธรรมะเอาธรรมะมาซักฟอกกายวาจาใจให้สะอาดเพื่อจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือภพชาติที่จะตามมาต่อไปคุณธรรมะที่จะช่วยซักฟอกกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั้นก็มี หลากหลายด้วยกันในวันนี้จะแสดงเรื่องศรัทธาคือความเชื่อเรื่องจาคะคือการเสียสละเรื่องศีลคือการไม่เบียดเบียนและเรื่องปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะช่วยชำระสักพอกกายวาจาใจของเราให้สะอาด ให้เรามีความสุขความเจริญอย่างแท้จริงศรัทธาความเชื่อเป็นสิ่งที่เราต้องมีเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอย่างแท้จริงเราจึงต้องเชื่อคนที่รู้เช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกพระอริยสงสาุกทั้งหลาย เพราะท่านเหล่านี้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนเกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมที่มองทะลุโมหะความหลงมองทะลุอวิชชาความรู้ไม่จริงจนเห็นสภาพตามความเป็นจริงได้เปรียบเทียบเหมือนกับ คนที่ใส่แว่นตาที่ใสสะอาดมองทะลุแว่นตาออกมาก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงส่วนคนที่ใสแว่นที่มีอย่างอื่นเคลือบอยู่เช่นมีสีดำๆสีเข้มๆ เ, เ, เคลือบอยู่เวลามองภาพก็จะไม่เห็นภาพที่แท้จริง สีต่างๆจะไม่ได้เป็นสีตามความเป็นจริงของเขาฉันใดใจของผู้ที่ยังมีโมหะความหลงมีอวิชชาครอบงำอยู่ก็เป็นใจที่มีสิ่งที่คอยป้องกันไม่ให้ใจเห็นความเป็นจริงจึงเห็นกับตรปัด แทนที่จะเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นสุขกลับเห็นว่าเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์กลับเห็นว่าเป็นสุขจึงเดินไปสู่ทางที่ผิดเดินไปหาความทุกข์กันเพราะเห็นว่าความทุกข์เป็นความสุขส่วนความสุขนั้นกลับเดินหนีกันเพราะเห็นว่าเป็นความทุกข์กัน ความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแต่ที่พวกเรากลับเห็นว่าเป็นความสุขนั้นคืออะไรก็คือความยินคือความยินดีในลาบยศสรรเสริญสุขนั่นเองพวกเราทุกคนยังมีความยินดีมีความชอบที่จะแสวงหาลาบคือเงินทองยศคือตำแหน่งสรรเสริญคือ คำชมเชยและสุขที่เกิดจากการได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผดพธพะชนิดต่างๆแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรไม่แน่นอนไม่ไ ม, ไม่ไม่อยู่กับเราไปได้ตลอดเมื่อถึงเวลาที่ เราขาดสิ่งเหล่านี้ไปหรือสิ่งเหล่านี้จากเราไปก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจนี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันและในขณะเดียวกันที่เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เราก็มีความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงความกังวลไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ จะมีอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่แต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติกำจัดโมหะอวิชชาออกไปจากจิตจากใจจนหมดสิน้นจึงได้เห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในลาบยศสรรเสริญสุขและเห็นความสุขนั้นอยู่ที่ความสงบของใจ ไม่จำเป็นต้องมีลาบยศะะเสริญสุขก็มีความสุขได้และเป็นความสุขที่เลิศที่วิเศษกว่าอีกหลายเท่าด้วยกันแต่เรากลับเห็นเป็นความทุกข์ไปเพราะการที่จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนั้นเราต้องเสียสละเราต้องมีจาคะนั่นเองจาคะก็คือการเสียสละ ประโยชน์สุขของตนเช่นเงินทองเป็นสิ่งที่เราเสียสละได้นอกจากเงินทองแล้วทรงสอนว่าให้สละแม้กระทั่งอวัยวะให้สละแม้ชีวิตเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสงบของจิตใจคือธรรมนี่เองธรรมที่จะชำระกายวาจาใจให้สะอาด บริสุทธิ์เมื่อกายวาจะใจสะอาดบริสุดมากขึ้นเพียงไรความสงบสุขของใจก็จะมีมากขึ้นไปเพียงนั้นดังนั้นจึงทรงสอนให้เราสละทรัพย์สละอวัยวะสละแม้แต่ชีวิตเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขอัน กระเสดที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้มาเป็นสมบัติแต่พวกเรากลับเห็นว่าการกระทําและสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์เป็นความยากความลําบากเพราะการที่จะบริจากก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะเรามีความรับมีความหวงแหน มีความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าต่องเงินทองแต่เราไม่มองในมุมของจิตใจถ้าเรามีความหวงแหนมีความยึดติดในกับอะไรมากน้อยเพียงไรก็จะมีความทุกข์ความกังวลมีความเสียดายอะไรอาวบนมากน้อยขึ้นไปเพียงนั้นแต่ถ้าเราไม่มี ความยึดติดเราบริจาคอยู่เรื่อยๆเก็บไว้ในส่วนที่มีความจำเป็นต่อการดารงชีพส่วนที่ไม่มีความจำเป็นเราก็นำไปบริจาคนำไปให้ผู้อื่นเพื่อผู้อื่นจะได้รับประโยชน์สุขจากการบริจาคของเราเมื่อเราได้บริจาคแล้วใจของเราก็จะได้คลายความยึดติด คลายความหวงแหนคลายความตนันีทำให้ใจของเราโล่งเบาสบาย อ, อกสบายใจเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเราถ้า ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็จะเสียสละเงินทองทั้งหมดเลยแล้วก็ออกบวชแล้วก็ถวายอวัยวะถวายชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าไม่ถวายทั้งอวัยวะและชีวิตเพื่อการเ พ, เพื่อทําทำแล้วจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำมาเป็นสมบัติเลย เพราะสิ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันจะเอาท้องสิทเอาจะเาทั้งสองอย่างไม่ได้จะเอาทั้งชีวิตและจะเอาทำด้วยไม่ได้จะต้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ารักชีวิตก็จะไม่ได้ทำอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้มาเป็นสมบัตินั่นก็คือการหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่เราต้องแลกกันกูบาอาจารย์ท่านบอกว่านิพพานนั้นอยู่ฟากตายถ้าอยากจะได้นิพพานต้องยอมตายถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ถ้าอยากจะพบกับความสุขสุดยอด ท, ที่เรียกว่าปรมงสุขขังก็ต้องกล้าที่จะยอมเสียสละชีวิตแต่การเสียสละชีวิตนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปกระโดดน้ำตายไม่ให้ไปฆ่าตัวตายแต่ไม่ให้กลัวตายต่อการปฏิบัติไม่ให้หวงชีวิตเพราะการหวงชีวิตนี้เป็น เรื่องของกิเลสเรื่องของความหลงถ้ามีความหวงในชีวิตแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีความทุกข์ใจก็จะหาความสงบหาความสุขไม่ได้นั่นเองแต่ถ้ากล้าหรือปร่งได้ยอมเสียสละชีวิตของตนยอมเสียสละอวัยวะยอมเสียสละ สมบัติข้าวของเงินทองก็จะได้ในสิ่งที่ดีกว่าที่เสียไปก็คือความสุขสุดยอดตลอดอนันตการของพระนิพพานนี้เองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เสียสละท่านสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็ออกบวช แล้วก็ปฏิบัติธรรมถวายกายถวายว ถ, ถวายชีวิตเพื่อให้ได้ธรรมอันประเสรฐนี้มาเมื่อได้ทาถึงขดาดนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นพระธรรมอันเลิศที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้มาครองเป็นสมบัติสิ่งที่ขวางอยู่ก็คือความ หวงในชีวิตความกลัวความทุกข์ความยากความลำบากเท่านั้นเองถ้าเราไม่กลัวความทุกข์ยากลาบากที่เกิดจากการปฏิบัติถ้าเราไม่กลัวตายรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วความสุขความสุขที่เลิศที่ประเสริฐก็จะเป็นสมบัติของพวกเราอย่างแน่นอนดังนั้นในเบื้องต้นจึงทรงสอน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 เรื่องของจาคะดังที่พวกเราได้มากระทำกันในวันนี้เราก็ได้มาทำจาคะมาสละทรัพย์ส่วนหนึ่งของเราไปเอาทรัพย์นี้ไปซื้อกับข้าวอาหารขาวหวานซื้อของใช้ที่จำเป็นมาถวายพระภิกษุสามเณรอย่างนี้เรียกว่าเป็นจาคะเป็นรัเป็นเบื้องต้นเป็น เป็นขั้นต้นแต่ยังมีขั้นที่ต้องสูงขึ้นไปอีกคือเหมือนกับการเรียนหนังสือเรียนชั้นประถมแล้วก็ต้องขึ้นชั้นมัธยมชั้นมัธยมก็ต้องเข้าสู่ชั้นอุดมศึกษาถึงจะได้สำเร็จปริญญาได้ปริญญาที่สูงสุดได้ชันใดการบริจาค ก, ก็เป็นเช่นนี้ เบื้องต้นก็บริจาคเสียสละจากน้อยไปหามากตอนนี้เราทำได้แค่นี้ต่อไปเราก็เพิ่มขึ้นไปทำไปเรื่อยๆถ้าเราทำแล้วเราจะสัมผัสกับความสุขใจความเบา อ, อกเบาใจที่เกิดจากการปล่อยวางไม่พึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของให้เป็น สิ่งที่มาบรำรุงความสุขกับเราเอาความสุขที่เกิดจากการได้ตัดได้ละดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่สุขุมละเอียดและไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลใจไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์ก็จะต้องเกิดความามีเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจ ไหนจะดูแลรักษาไหนจะต้องคิดว่าจะเอาไปใช้อะไรดีถ้าใช้แล้วก็หมดก็ต้องไปหามาใหม่เป็นปัญหาตลอดเวลาถ้าไม่พึ่งทรัพย์สินสมบัติเงินทองได้ก็จะสบายแล้วก็จะมีความสุขถ้าลองได้สัมผัสความสุข <c oughs> ที่เกิดจากการให้จเกิดจากการเสียสละแล้วจิตใจจะมีความพอใจ ที่จะเสียสละมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นขอให้เราจงอย่าเสียดายสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่เพราะมันไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราซักวันหนึ่งเมื่อเราตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เป็นของเราอีกต่อไปแม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปส่วนทรัพย์สมบัติ ้าของเงินทองที่เราหามาอย่างลำบากยากเย็นก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปแต่ถ้าเราเอามาบริจาคเอามาแจกจ่ายเราก็จะได้แล ก, กับสมบัติที่วิเศษภายในใจคืออริยทรัพย์นั่นเองทรัพย์ภายในคือความสงบสุขเย็นใจที่เกิดขึ้นจากการเสียสละ นอกจากการเสียสละแล้วก็ส อ, สอนให้เรามีศีลคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยปกติก็ให้มีศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปรเวณีไม่พูดปดมดเท็จและไม่เสพสุรายาเมาเพราะการไม่กระทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเรา สงบล่มเย็นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถ้าเราไม่รักษาศีลเรายังทำผิดศีลอยู่จิตใจของเราก็จะไม่สงบจะมีความกังวลมีความหวาดวาวเพราะการกระทำผิดศีลนั้น<ม>เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องไปรับใช้โทษรับใช้กรรม ในลำดับต่อไปนั่นเองเรารู้เราแต่บางครัง้งบางคราวเราไม่สามารถหักห้ามจิตใจของเราได้เราก็ไปทำผิดศีลขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมากังวล ม, มาหวาดกลัวแต่ถ้าเรามีสติคอยดูการกระทำของเราอยู่เสมอเสมอและชั่งน้ำหนักทุกครั้งว่า เวลาที่เราทำผิดศีลนั้นมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มาและกับสิ่งที่เราเสียไปสิ่งที่เราเสียไปก็คือความมั่นคงของจิตใจความไม่หวาดภวาไม่หวาดกลัวแต่สิ่งที่เราได้มามันไม่ได้คุ้มค่าอะไรเลยเพียงแต่ทําให้เรามีความสุขชั่วในขณะที่เราได้มาเท่านั้นเอง ดังนั้นเราจึงควรที่จะคอยดูแลรักษากายวาจาใจของเราให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมส่วนในวันพระเช่นวันนี้ถ้าอยู่ในฐานะหรือมีความสามารถที่จะรักษาศีลเพิ่มขึ้นไปอีกก็ควรที่จะรักษาคือนอกจากศีลห้าแล้วก็เพิ่มศีลขึ้นมาอีกสามข้อ เป็นศีลแปดเพื่อจะได้ทำให้จิตใจมีความสงบมากยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศก็เหมือนกับหมุนหรือปรับปุ่มที่ควบคุมความเย็นให้สูงขึ้นไปให้เครื่องทำความเย็นผลิตความเย็นมากขึ้นไปฉันใดการรักษาศีล จากศีนห้าขึ้นไปศีนแปดก็เป็นการปรัปปรบความสงบสุขของจิตใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปนั่นเองให้เราสละตัดความสุขทางทางกามอารมณ์คือทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วหันเข้ามาหาความสุขของความสงบของจิตใจถ้าใจของเราได้สลัด คามอารมณ์ออกไปได้ความสงบสุขของจิตใจก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาความสุขทั้งสองชนิดนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้คือความสุขทางการอารมณ์กับความสุขทางสงบความสงบของจิตใจนี้ต้องอยู่กันคนละที่กันหรืออยู่อยู่อยู่พร้อมๆกันไม่ได้ เหมือนกับความมืดกับความสว่างจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามีความมืดก็ไม่มีความสว่างถ้าไม่ถ้ามีความสว่างก็ไม่มีความมืดหรือความร้อนกับความเย็นก็เช่นเดียวกันถ้ามีความร้อนก็ไม่มีความเย็นถ้ามีความเย็นก็ไม่มีความร้อนความสุขทางกลางอารมณ์นี้เป็นเหมือนความร้อน ส่วนความสุขทางจิตใจเป็นเหมือนความเย็นถ้าเราต้องการความสุขทางจิตใจเราก็ต้องสลัดความสุขทางกางอารมณ์คือเราต้องถือสิงข้อสามจากเปลี่ยนจากากาเมสุวิชชาจาราเวรมณีคือละเว้นจากการประพฤติผิด โให้มาถืออ布拉มจารยาเวรมณีคือให้ถือศีลปรัมจรละเว้นจากการเสียสุขกับคู่ครองของตนแล้วก็ให้ละเว้นจากการหาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารเพื่อดูแลรักษาร่างกาย ให้อิ่มท้องก็พออาหารไม่จําเป็นจะต้องถูกปากถูกใจขอให้กินเข้าไปแล้วทำให้อิ่มท้องอยู่ได้และไม่จําเป็นจะต้องกินหลายเวลาด้วยกันอย่างมากก็สองครั้งก็พอสำหรับผู้ที่ถือศีลแปดคือหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว mm. ก็จะไม่รับประทานอาหารอีกต่อไป หรือถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นไปก็จะอาจจะถือเพียงมือเดียวรับประทานอาหารเพียงมือเดียวก็อยู่ได้แล้วไม่จ้องหาความสุขจากการรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการใช้เสื้อผ้าอาภรณ์การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยๆงามาม หรือการใช้เครือบสําอางต่างๆใช้น้ําหอมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือหาความสุขจากจากการได้ดูได้ฟังสิ่งบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงเป็นต้นความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ปรกอบด้วยความทุกข์เพราะจะต้อง พอยแสวงหาอยู่เรื่อยๆเราจึงต้องพยายามละเว้นจากความสุขเหล่านี้เพื่อเราจะได้ความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่คือความสุขจากความสงบของจิตใจนอกจากนั้นเราก็ต้องนอนแบบง่ายๆนอนกับพื้น ปูเสือปูผ้าก็พออย่านอนบนฟูกหนาๆอย่าหาความสุขจากการหลับการนอนเพราะเราไม่ได้เป็นหมูเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ใฝ่ธรรมเราเป็นผู้ปรารถนาที่จะยกชีวิตจิตใจที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเรา <c oughs> ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับของพระอริยเจ้า ของพระอาหารหันต์เราต้องไม่ยึดติดอยู่กับการหลับการนอนกับความสุขที่เกิดจากการหลับการนอนนอนให้พอเพียงต่อการพักผ่อนของร่างกายก็พอซึ่งถ้านอนบนพื้นแข็งๆก็จะนอนไม่นานหลับสักสี่ห้าชั่วโมงก็จะอิ่มจะพอแล้วแต่ถ้านอนบนฟูกหนานๆะนะ ก็จะแดหรือสิบชั่วโมงถึงจะรู้สึกว่าพอเพราะมันมีความสุขแต่ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่จะถูกเราให้ติดไว้กับของทุกข์ติดไว้กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราจึงต้องมาถือศีลแปดกันในวันพระเพื่อที่จะได้ทำให้เราได้พบกับความสุข ความสงบของจิตใจเมื่อเรารักษาศีลแล้วใจของเราก็จะมีความสงบจะไม่วุ่นวายใจเราก็จะเห็นประโยชน์เราจะได้เห็นความสุขที่แท้จริงว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราและถ้าอยากจะให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้เราก็ต้องปรับปุ่ม ความเย็นของใจความสงบของใจขึ้นสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นของปัญญาเราก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้วิธีที่จะทำให้ใจของเราสงบอย่างถาวรใจของเราจะสงบได้อย่างถาวรก็ต่อเมื่อเราได้กำจัด ต้นเหตุที่ทำให้จิตของเราไม่สงบก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็ยังจะต้องมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเรายังต้องมีความเรายังต้องวุ่นวายกับการหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหน ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเช่นวันนี้เราฟังแล้วเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความสงบที่เกิดจากการเสียสละที่เกิดจากการรักษาศีลนั่นเองเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะคิดว่าความสุข ความเจริญนั้นอยู่ที่ลากยศเสริญสุขเราก็จะไปแสวงหารากยศเสริญสุขที่ต่อให้แสวงหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามจะมากเท่ากองภูเขาก็ยังไม่ได้ทำให้เราพบกับความสุขความพอนั่นเองแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วเราจะรู้ว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจอยู่ที่การปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นอยากได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือความสงบสุขของใจดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างเราก็จะได้ บำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐดังนั้นเราจึงควรเข้าหาธรรมะอยู่เสมอฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้รู้จักวิธีบำเพ็ญรู้จักวิธีกำจัด รู้จักวิธีชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดก็คือการมีจาคะมีศีลมีปัญญาและมีมีศรัทธานี่เองถ้าเราบงเพ็ญเราส่งเสริมให้มีศรัทธามีจาคะมีศีลมีปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะมีความสงบสุข ทางจิตใจมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆความทุกความกังวลใจความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆก็จะเบาบางลงไปและหายไปจนหมดสิ้นเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามเช่นเราจะแก่จะเจ็บจะตาย จะพัดรากจากใครก็ตามใจของเราจะสงบร่มเย็นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาจึงขอให้เราเห็นคุณค่าของคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือศรัทธาความเชื่อจาคะความเสียสละศีลการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและปัญญาความฉลาด ขอให้เราจงได้นำเอาไปบาเพ็ญอยู่เรื่อยๆและประโยชน์แล้วประโยชน์สุขก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพระบุธพระธรรมประสงค์